นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดเอาใหม่นะห้าสีนี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมอาตมพระไพบุญพิบุโนอยู่ที่วัดป่าดอนไหนโตกทุกๆสัปดาห์ก็จะมาพร้อมกับคุณมอนัทพงศ์ครับกลับน้ำมศกาลและสวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมทันตแพทย์นัทพงศ์กนกวิรุณครับอยู่ที่กรุงเทพครับทุกสัปดาห์เราก็จะมาคุยกันอย่างนี้แหละให้ท่านผู้ฟังฟัง อันนี้เป็นเอพิซอที่ถลายแล้วคุณหมอรัตพงศ์สามสิบห้าครับสามสิบห้าแล้วแล้วก็ทุกสัปดาห์เราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็เอารประเด็นธรรมะต่างๆที่จะมาคุยให้ฟังในสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องที่อรมาคิดว่าอยากจะเล่าให้หมอรัตพง์ฟังกันอคื อ, อหลังจากที่เรามาหลีกเล่นปฏิบัติอยู่ทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนที่วัดป่าดนไหน่โศเนี่ยมีอยู่ หลายครั้งที่เรามีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาว่าธรรมะของพรุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องทวนกระแสนะสมมติว่าจะทำให้จิตใจของผู้ที่มีธรรมะเนี่ยจะต้องอ่อนโยนนะไม่ใช่เป็นจิตใจที่แข็งกระด้างแล้วก็เป็นจิตใจที่อ่อนโยนเป็นจิตใจที่เบาถ้าเรารู้ธรรมะแล้วมันหนักขึ้นมันเครียดขึ้นหรือว่าต้องไปโตเถียงกับใครอันนี้ไม่ถูกละอันนั้นมา<อ>ปิดทางับ ซึ่งธรรมะเนี่ยต้องเป็นของที่ประนีตมีดอกไม้อยู่ดอกหนึ่งที่อยู่ตรงวัดป่าระานัยโศกเนี่ยนะมันจะบานตอนตีสี่ตีสามช่วงตีสี่ในหน้าฝนเท่านั้นแล้วพอ<ะ>พระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยประมาณสักเจ็ดแปดโมงมันจะเหี่ยวไปเลยมันเป็นดอกไม้ที่<ะ>ประนีตบอบบางมากนะซึ่งของที่ประนีตบอบบางเนี่ยถ้ามีอะไรไปที่มันแบบ หนาๆ ห, หยับๆับไปกระแทกมันโดนแสงแดงแรงเราไปจับมันแรงเนี่ยมันก็จะบอบช้าเสียดายไปพังไปนะซึ่งเหมือนกับจิตของเราเหมือนกับธรรมะที่มีในจิตอ่ะมันจะต้องค่อยๆคอ ย, คอยประครบประ ง, งมคอยดูแลเป็นของเบาเป็นของละเอียดเป็นของประณีดว่ากั้นเถอะครับใช่ไหมของประณีถ้าเราจะไปหยับๆับดูแลทุกตีมันไม่ได้มันก็เสื่อมสลายง่ายใช่ครับ ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้พูดไว้สอดคล้องกันอย่างจิตที่ประพัดสอนเนี่ยเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่กันงานะน ะ, ะแต่ว่าก็ยังยิ้มได้นะแล้วก็ไม่แข็งกระด้างเป็นจิตที่สบายล<ะ>แล้วก็ธรรมะเนี่ยยังเป็นเครื่องทวนกระแสหมะนะอมนร<ะ>ัตพง์ทวนกระแสเนี่ยคือหมายถึงทวนกระแสแห่งตัณหาทวนกระแสแ<ะ>ห่งความอยากยากิเลสตัณหาทั้งหลายอยากใช่ไหมอันนี้ทวนไปเลย อันนี้จะเป็นการทวนทวนี้ไม่ใช่ว่าแข็งกระด้างและทวนเอานะไม่ใช่นะแต่แบบแข็งแกร่งแข็งแบบแข็งแรงนะเหมือนภูเขาหินที่พระเจ้าบอกว่าเหมือนเสาหินยาวสิบหกศอกฝังลงในดินลึกแปดศอกโผล่ขึ้นพ้นดินแปดศอกลมเหนือใต้ออกตกพัดมาไม่สั่นไหวสันสะทานสันสเทือนเพราะความที่มันมีรากลึกฝังไว้ดีแล้วนี่คือลักษณะของธรรมะที่แข็งแรงแข็งแกร่ง นนในขณะเดียวกันก็เป็นจิตที่สบายมีอะไรมากระทบก็ไม่สั่นสะเทือนสั่นระรัวไปตามสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยทวนกระแสทวนกระแสในที่นี้ก็คือกระแสงตัณหาอย่างสมมติเราการที่เราเประกาศธรรมะอย่างนี้นะหมอละทวงคือบางทีมันอาจจะมีกามมาเกี่ยวข้องใช่หมายความว่าถ้าเรายึดธรรมะว่าอ๋ อ, อนี่ธรรมะของฉันเนี่ยเราต้องเข็นไปดึงไปทางนี้อันนี้คุณไปตามกระแสแห่งกามแล้ว มาตามกระแสะนะแห่งภาวะตัณหา ค, ความอยากมี<ร>อยากเป็นอยากให้ธรรมะเป็นอย่างนั้นอยากให้มีธรรมะอย่างน้อ น, นจะเป็นไปตามกระแสะแห่งภาวะตัณหาซึ่งธรรมะรจริงๆแล้วก็ทวนกระแสทวนะนกระแสะของตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะพุชจะผลักดันนะทำอะไรที่มันรุนแรงแล้วก็ตามกระแสะโลกไปเนี่ยมันก็จะทำให้มีการเาเรียกว่าอะไร ไม่ผ่องแผ้วในธรรมะนั้นๆครับเรียกว่าเหมือนไม่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมอย่างนี้ค่ะต้อย่างในในรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์เนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ธรรมะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนบกางเถอะจึงได้นำเอาพริวัจนะบ้างตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมรโพงบ้างอย่างนี้นะมาคุยให้ให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างในวันนี้ก็เหมือนกัน เรามีเรื่องที่ได้พูดกับท่านผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่อืมครับผมก็มีเรื่องของที่การทํางานของจิตแล้วก็ความเชื่อมโยงกับสมองเนี่ยครับใช่ใทราบว่าเในเชิงนี้เนี่ยมีมีรายละเอียดอะไรบ้างครับซึ่งจะได้มาขยายความให้ฟังล่ะจะเป็นการดีมากเพราะอาจมาเมื่อก่อนก็คิดว่าสมองเนี่ยเป็นเลิศสมองนี่นะเราต้องเรียนรู้ต้องหาอะไรมาให้มันกิน นะต้องมันถึงจะดีมันถึงจะเลิศมันถึงจะทํางานได้อย่างเยี่ยมยอดอย่างเงี้ยนะครับพอ<ร>เราเม า, มาใช่ใช่ครับเหมือนในทางทางตะวันตกทางวิทยาศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยก็จะเหมือนว่ายกคอาสมองเอาว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยว่าเป็นตัวควบคุมทุกอยา่างควบคุมร่างกายอืมจนแบบภาพเหมือนว่าในวันนี้ เ, น เ, นเราจะได้รู้กันใช่ครับ ก็คือว่าเขาเอาสมองเออขาทองไอสไตน์บอกว่าไอสไตน์เนี่ยเป็นยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลกใช่ไหมครับเขาสมองของไอสไตน์เนี่ยมาเอ็งมากพาตัดมาส่องกล้องดูว่ามันมีเซลอะไรทำให้เขาเป็นอัจฉริยะอะไรเนี่ยโอ้โหแบบว่าให้ความสําคัญกับส่วนนี้มากๆเลยครับโอเคในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะพิสูจน์กันสิ่งที่จับต้องได้ถูกไหมครับทีนี้ก็ต้องมาดูเอ่อ ควที่จริงตรงนี้นิดหนึ่งว่าสมองเนี่ยนะมันคืออะไรมันก็คือการสุนเขาเรียกว่าอะไรเป็นองค์ประกอบของเซลล์มารวมๆกันใช่ไหมมีเซลล์สมองใช่ครับใช่ครับเซลล์ประรวมๆกันกมันก็จะมีะระบบของฮอร์โมนอะไรต่างๆต่อมไร้ท่ออะไรที่ทํางานเกี่ยวเนื่องกันอยู่ด้วยทีนี้ก็จะต้องให้ยกดูตัวอย่างว่าสมองเนี่ยมาหลังจากการทํางานของจิตและจิต เ, เนี่ยทำงานไปก่อนแล้ว สมองจึงค่อยทํางานระบบต่างๆของ<ม>ร่างกายจึงค่อยทํางานเอายกตัวอย่างงา่ายๆใะเวลาเราจะโกรธอย่างเงี้ยเราจะโกรธไปแล้วจิตเราจะโกรธไปแล้วก่อนนั้นแล้วสมองเราเนี่ยจึงค่อยพิจารณาตามอา้าวเสร็จแล้วก็จะมีการหลั่งสารฮอร์โมนที่ทําให้มีอะดรีนาลีนขึ้นนะ <renal> ันก็จะไปปั๊ม <renal> หัวใจให้แรงขึ้นฮนะ <renal> อร์โมนต่างๆมากระทํามากขึ้นทำให้อา่า พร้อมที่จะชกละจะตีแล้วจะสู้ละหรือไม่ก็จะหนีล้บีบรัดตัวมากขึ้นอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นการกระทําของระบบฮอร์โมนต่อมไร้ท่อของสมองอะไรต่างๆซึ่งมาจากการหลังจากการเข้าไปรับรู้ของจิตที่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างสมมุติคนสองคนได้ฟังคำพูดคำเดียวกันทำไมคนหนึ่งโกรธอีกคนหนึ่งสบายใจแสดงว่าแสดงว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็จะบอกว่าโอ้เพราะว่าสมองเนี่ยมันวริงไม่ตรงกัน ก็ oh, คื อ, ค, อคือข้างในการเชื่อมโยงวงจรของของเส้นประสาทเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเขาก็จะให้ความพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นจริงจะต้องให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบถึงตัวอย่างนี้เพราะนั้นจึงจะขอทดลองเลยนะทดลองในรายการเปิดตามที่สุขผิดภาพออนไลน์นี่แหละให้ทุกท่านรวมทั้งหมอรัตตพงศ์ด้วยนะหลับตานะหลับตาฟังสิ่งต่อไปนี้ให้ดีแล้วพิจารณาตามถ้าขับรถอยู่ก็ก็ให้หยุดไว้หมายถึงว่า ให้หยุดเทปนี้ไว้ก่อนแล้วก็อลองฟังดูในวาระหลังนะอย่าเพิ่งเปิดเทปฟังต่อไปถ้าขับรถอยู่หรือว่ามีกิจกรรมที่จะต้องใช้มือหรือใช้ตาอย่างเงี้ยนะให้หยุดนิ่งก่อนแล้วจึงค่อยฟังต่ อ, อเมื่อหยุดรถนิ่งๆไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรที่ต้องใช้มือใช้ตาแล้วเนี่ยให้ลองหลับตาดูแล้วลองอฟังตามนี้ไปนะให้หมอรงศ์ทำตามไปด้วยนะก็คือว่าหลังจากที่หลับตาแล้วเนี่ยให้เราลองนึกถึง เส้นทางที่เราจะกลับบ้านเราดูนึกถึงบ้านของเรานี่แหละเป็นบ้านหลังที่เราเคยอยู่มาในะปัจจุบันนี้แหละดูซิว่าหลังคาเป็นยังไงหน้าตาบ้านเป็นยังไงประตูอยู่ที่ไหนรั้วบ้านมีไหมมีต้นไม้หรือสิ่งอะไรอะไรอยู่ในบริเวณบ้านของเราบ้างเมื่อเราสังเกตนี้แล้วเราก็ค่อยๆเดินนะในความคิดเนี่ยค่อยๆเดินเข้าไปใกล้บ้านมากขึ้นนะจนกระทั่งสังเกตเห็นว่า ประตูบ้านที่เราจะผ่านเข้าไปมีลักษณะเป็นอย่างไรทําจากไม้หรือทําจากวัสดุไหนมีมือเปิดหรือเปล่าหรือเป็นมือเปิดในลักษณะที่เราคุ้นเคยสีสันเป็นอย่างไรมีลวดลายใดๆอยู่ที่ประตูบ้านบ้างก็ให้เลื่อมมือออกไปลองดูซิว่าถ้าเราเปิดประตูนี้ออกมันจะเป็นแบบดึงเข้าหรือผลักออก จะเป็นอย่างไรก็ลองเข้าไปในบ้านที่เราคุ้นเคยนี้ดูพอเข้าไปแล้วก็จะพบกลิ่นอายของบ้านที่เราคุ้นเคยอยู่จะมีความรู้สึกหรือว่าสภาพสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยเราชอบเราอาจจะมีความคิดความจำความนึกอะไรต่างๆที่อยู่ในบ้านหลังนี้อยู่ก็ให้ลองมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาลองดูซิว่าเป็นสภาพบ้านนั้นมีสิ่งอะไรอยู่ในบ้านเราบ้าง จะเป็นเก้าอี้โตเฟอร์นิเจอร์ทีวีหรือว่าเป็นบ้านที่ว่างๆพื้นทำจากอะไรหลังคามีไฟไหมที่เปิดไฟอะไรอยู่ตรงไหนพอระลึกถึงที่ที่เราคุ้เคยอย่างนี้แล้วก็ลองนึกซิว่าที่นี่มีครัวอยู่แห่งหนึ่งก็ลองเดินทางไปทิศทางที่จะไปถึงครัวเป็นครัวที่เราเคยกินข้าวอยู่เป็นประจำจะไป ทิศทางที่จะไปครัวนั้นจะต้องผ่านห้องไหนก่อนบ้างในมีสิ่งใดต่างๆอยู่ภายนอกมีโต๊ะเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ที่ไหนเราก็เดินตรงไปที่ครัวพอไปถึงที่ครัวแล้วเราก็เห็นสภาพต่างๆที่อยู่ในครั ว, วจะเป็นตู้เย็นกระทะหรือว่าอุปกรณ์ที่เครื่องใช้ในครัวโต๊ะเก้าอี้นะตู้ ของต่างๆที่อยู่ข้างในทำจากกระจบ์หรือทําจากไม้เราลองดูสภาพต่างๆในครัวที่เราคุ้นเคยเสร็จแล้วก็มาดูที่ตู้เย็นหลังนี้แะเราก็ลองเปิดตู้เย็นหรือจะเป็นตู้กับข้าวก็ได้และเราก็จะพบว่าโอ้โ oh, หตู้เย็นนี้มีมะนาวอยู่ลูกหนึ่งซึ่งเป็นมะนาวลูกที่พอเหมาะพอดีอย่างที่เราเคยเห็นเน็นกันอยู่ก็ให้เธอลองหยิบลูกมะนาวออก ลูกนี้ออกมาดูแล้ววางที่โต๊ะแล้วก็เอาเขียงออกมาด้วยก็ให้ลองอดูที่มะนาวลูกนี้ว่าสีสันของเขาเป็นอย่างไรนะลูกใหญ่ขนาดไหนอย่างที่พอเหมาะมือของเรานี่แหละที่เราเคยเห็นมะนาวที่ผ่านๆมาในชีวิตของเราเสร็จแล้วก็ลองบีบเคืองเขาดูนิ่มหรือว่าแข็งแนะดมกลิ่นดูก็ไดนะ้มีกลิ่นความเปรี้ยวอยู่นิดๆหน่อยๆ แล้วก็จะมีสีสันอย่างที่เราเคยคุ้นเคยกันแล้วก็ให้วางมะนาวลูกนี้ลงบนเขียงแล้วก็เอาหยิบมีดม า, ายิบมีดมาปาดเนื้อมะนาวนี้ออกแลก็จะเห็นสังเกตเห็นว่ามีน้ำมะนาวเนี่ยไหลท่วมออกมาจากลูกมะนาวนีนะสส้ออกมาเลยเสร็จแล้วเนี่ย ก็ให้ลองดูที่มะนาวที่ถูกแบ่งเป็นซีกสองซีกอย่างนี้แล้วให้จินตนาการว่าลูกมะนาวสองซีกเนี่ยใหญ่เพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าใหญ่เท่ากับลูกแตงโมเลยใหญ่เท่ากับลูกแตงโมดได้กลิ่นของมะนาวในกลิ่นเปรียปร้ยวๆแล้วก็มีจีด๊ดๆนิดนึงนานา้ำโอ้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ให้หยิบลูกมะนาวที่ใหญ่ขนาดลูกแตงโมเนี่ยบีบน้ำทั้งหมดเข้าไปในปากของเรา อ้าวลืมตาได้อ่าให้มาด้วยองลืมตาด้วยครับผมอ่าก็ถามอ่าก็ถามว่าที่ฟังไปเนี่ยใครบ้างที่มีน้ำลายแบบท่วมออกมามากกว่าปกตินะท่านผู้ฟังหลายๆท่านจะพบว่าเรามีถ้าทำตาหมอนะเราจะแบบมีน้ำลายท่วมออกมามากกว่าปกติเหมือนอย่างที่เวลากินมะนาวน้ำมะนาวหรือกินอะไรที่เปรี้ยวเลย นั่นเพราะว่าอะไรทั้งนที่เราไม่ได้เจอมะนาวจริงๆคือปฏิกิริยาที่เกิดในร่างกายใช่ไหมสมมุติลิ้นไปแตะของเปรี้ยวใช่ไหมมันจะมันจะสมองก็จะสั่งการให้ต่อมที่อยู่ต่อมน้าลายเนี่ยบีบตัวออกมามากเนื่องจากความเปรี้ยวเป็นรีเฟรชของร่างกายถูกปะซึ่งซึ่งตรงนี้อาจจะควบคุมด้วยระบบของสมองที่ระบบประสาทนะซึ่งอาจจะเกี่ยวกับสมองหรือไม่เกี่ยวกับสมองก็ได้ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ ลิ้มมะ น, นาวจริงๆแต่จิตของเราเนี่ยเข้าไปรับรู้มะ น, นาวก็ใช่ไหมจิตของเราเข้าไปรับรู้ความเป็นมะ น, นาวทาัทง้ทงๆที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้โดนนะพอจิตของเราเข้าไปรับรู้รปุ๊บมันไปสั่งสมองให้ให้ลิ้นเอ่อให้ให้ต่อมน้ำลายของเราบีบน้ำลายออกมาเห็นแม้ว่าสมองกับจิตเนี่ยมันคนละอันกันนะ<ม>คือจิตของเราจะเข้าไปรับรู้มะนาวโดยที่สมองของเรายังไม่รับรู้ด้วยซ้า แล้วที่ ท, ที่ร่างกายของเรายังไม่ได้ไปแตะมะนาวโดยสัมแต่ทําไมน้ําลายมันออกมาได้ ท, ท, ทั้งๆที่จิตสัอร่างกายของเราไม่ได้โ ด, ดมนมะนาวจริงๆนั่นก็เพราะว่าเป็นที่จิตจะมาพอเราทราบความจริงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าโอ้โหจิตนี่มันเหนือกว่าสมองไว้แล้ ว, จ, ลวจิตเนี่ยภาษาของจิตเนี่ยมันมันไม่มีไม่มีภาษาอย่างถามว่าแม่รักลูกคนฝรั่งเศสนะเขาแม่รักลูกเขารักลูกเหมือนกันไหม เหมือนกับคนไทยรักลูกไหมหรือเหมือนกับคนเยอรมันรักลูกไหมก็เหมือนกั น, อ, นอ่ะแต่ว่าภาษาพูดเขาไม่เหมือนกันนั้นนั่นก็เพราะว่าสมองเขาทํางานคนละอย่างแต่จิตเ ข, เขาเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นลูกที่ออกมาจากคันของตนเนี่ยยังไงแม่ก็รักใช่ไหมรักด้วยความรักอย่างเดียวกันกับที่คนอื่นๆเขามีแต่การพูดออกมาว่าฉันรักเธอ ฉันแสดงออกมาซึ่งความรักเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นประเด็นออาันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ว่าทําไมแม่เนี่นะไม่ว่าลูกจะโตขนาดไหนแล้วก็ยังคิดว่าลูกเป็นเด็กอยู่ซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นประเด็นที่อามาคิดว่าเป็นเพราะว่าแม่ก็ยังรักลูกอยู่ทีนี้การแสดงออกซึ่งความรักของแม่เนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะที่เรายังเป็นเด็กอย่างนี้เท่านั้นเองอืคอยดูแลห่วงใยใช่ จริงๆแล้วเราก็โตแล้วแต่ว่าท่านก็ยังมีความรักให้เราอยู่เป็นประจำลักษณ ะ, ะนี้เพราะฉะนั้นในการทํางานของจิตกับสมองเนี่ยจึงเป็นคนละส่วนกันมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งอย่างพระกปิ่นเนี่ยท่านก็จะบรีบเทียบกับสมองนี่เป็นห้องทํางานนอย่างแล้วคนที่อยู่ในห้องทํางานเนี่ยก็คือจิตบางทีเนี่ยจิตก็จะมาใช้สมองในการที่จะทํางานบางทีก็ไปที่อื่นไปที่นู่นที่นีนะ่ไปประชุมไปนั่นไปนี่กลับมาก็มาอยู่ที่ห้องทํางาน อย่างนี้นะก็คือเหมือนกับเวลาที่จิตเราไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มาประมวลผลที่สมองแล้วไปสั่งการที่แขนขาไปรู้เรื่องที่เมืองนอกเมืองนากลับมาที่สมองอีกอย่างเงี้ยซึ่งก็เปรียบเส ม, มือนกับห้องทํางานถ้าเราไปดูห้องทํางานอย่างเงี้ยนะก็ถ้าไม่มีคนทํางานอยู่มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะคนระับไม่มีกิจกรรมอะไ ร, ะรเหมือนกับหรือเหมือนกับรถยนต์ถ้าเราคิดว่าตัว รถที่มันวิ่งได้เนี่ยคงเป็นเพราะว่าพวงมาลายัยหรือเพราะว่าเครื่องยนต์หรือเพราะว่าเบรกหรือเพราะว่าคันเร่งหรือเพราะว่าระบบเกียร์จริงๆไม่ใช่รถที่มันวิ่งได้เพราะมีคนขับมีคนขับร่างกายที่ ม, มันพูดนะได้มันทําได้มีระบบน้ําย่อยออกมาน้ําลายมีน้ําลายออกมานั่นก็เพราะมีจิตเอาทั้งนั้นคนตายใหม่ๆตัว ย, ยังอุนนุนอยู่ทําไมแบบว่าไม่สามารถทําอะไรได้ล่ะ เพราะมันไม่มีคนขับเหมือนรถยนต์ที่ไม่มีคนขับนั่นเองอย่างอย่างกรณีของสมองเนี่ยคือตัวระบบประสาทเนี่ยมันจะมีระบบประสาทที่เขาเรียกว่าสั่งสั่งการได้คือควบคุมได้ระบบประสาทอัตโนมัติชที่ร่างกายเนี่ยควบคุมไม่ได้เช่นเงาอ่เออรีเฟล็กเนี่ยพอดีพอเนี่ยตัวตัวทาง วิทยาศาสตร์ทาตะวันตกเนี่ยก็จะเหมือนกับว่ามาควบคุมเฉพาะส่วนที่ร่างกายควบคุมได้แต่ส่วนประสาท อ, อัตโนมิติหรือส่วนที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็จนนะจนว่าเหมือ น, นว่าก็ต้องปล่อยไปตามร่างกาย อ, อแต่ว่าพออย่างตัวเองเนี่ยมาศึกษาเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็ เ, เหมือนกับว่าไอ้ส่วนเนี่ยจิตมันควบคุมได้ใช่ใช ควบคุมได้ทั้งสองสองระบบเลยเนี่ยซึะจะเหลือชั้นกว่าเยอะนะครับความรู้สึกเราเราลองคิดดูอย่างเอาแค่มะนาวที่ตัวอย่างที่เราทําไปเมื่อสักครู่นี้นะซึ่งาการที่ร่างกายเราจะขับน้ํำลายออกมาเนี่ยมันก็มีเหตุอยู่ปัจจัยอยู่สองสาอย่างเช่นกินข้าวเจออาหาร อ, า ร, อาร่อยมีรสเปรี้ยวอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเราควบคุมได้ซึ่งปกติเราจะควบคุมไม่ได้คือ ค, คือเราไม่สามารถสั่งต่มน้ําลายเอา เธอบีบน้ำลายออกมาเท่านี้สามิลลิตรเนี่ยนะสั่งไม่ได้ะแต่ว่าเราสั่งจิตให้เราไปรับรู้สิ่งใดที่ทําให้มาเกิดน้ำลายได้เนี้ยนะครัะพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนําสุขมาให้อืมครับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ไงหมอแล้วที่ผว่าไอ้จิตเองนี่แหละที่ว่ามันจะไปแส่สายหาเรื่องครับมันไม่ใช่ไปหาดีอย่างเดียว มันก็จะไปหาเรื่องหานู่นหานี่เข้าไปยึดสิ่งนั้นยึดสิ่งนี้มาเป็นของเราตัวเราแล้วก็เป็นเหตุให้ผิดศีลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในกาอย่างเงี้ยนะเป็นพระเจ้าเคยบอกกับชื่ออะไรอะมาคันธิยะนายมคันธิยะเป็นข้าราชกาหรือเป็นพราหมณ์นี่แหละมั้งเขาก็เปรียบเสมือนกับคนที่ตาบอดมาแต่เกิดอ่ะ แล้วก็ oh. ไม่เคยเห็นแสงพระจันทร์ผราทิตเป็นยังไงสีเขียวสีแดงเป็นยังไงไม่รู้คือตามบอดมาแต่เกิดใช่ไหมแล้วก็มี <Yeah. S 1> คนหนึ่งมาบอกเขาว่านี่นเธอผ้าขาวเนื้อดีเนี่ยนะแหมเป็นสวยงามจริงๆเป็นของเนื้อดีนะก็พอ ร, รับทราบข้อมูลแล้วก็จับเอาไว้ใช่ไหมพอจําไว้แล้วก็มีบุคคลหนึ่งเขามาหลอกอีตาในบอร์ดนี้มาหลอก <Yeah. S 1> ว่าอันนี้ผ้าเปื้อนขมเหลนเนี่ยเป็นผ้าเนื้อดีอีตาในบอร์ดนี้เนื่องจากความที่ไม่เคยเห็นผ้าเนื้อ เนื้อเนื้อดีแต่เนื้อผ้าขาวเนื้อดีก็เลยคิดว่าผ้าเนื้อเลวพื้นเข่าเนี่ยเป็นของดีก็เลยเอามารับมาใส่เรียบร้อยใช่สาคัญผิดสาคัญผิดเสร็จแล้วมาใช้งานอย่างเต็มที่เลยก็แหมสบายใจเลยเที่ยวใส่อวดคนนื้คนนี้นปรากฏว่าภายหลังญาติของอิตาบอร์ดเนี่ยนะเขาก็ไปหาหมอหมอคนนี้เก่งมาก นะประกอบยาถ่ายโทษในเบื้องบนประกอบยาถ่ายโทษในเบื้องตำ่ำยาหยอดยานัดยาให้กัดอะไรต่างๆนี่นะทำให้ตาของเขาเนี่ยดีขึ้นมาเราจะเคยเห็นคนตาบอดที่ตาบอดมาแต่กำเนิดเนี่ยแล้วก็ไมาภายหลังเนี่ยเขามีวิสิบิลิตี้ขึ้นมาได้รักษาหายได้ก็มีนะในปัจจุบันซึ่งก็เป็นกรณีนี้เหมือนกันเพราะในบอดคนนี้ตาหายแล้วเห็นแสงโอ้ ผ้าทิชเป็นอย่างนี้พ้าจันเป็นอย่างนี้ของขาวเป็นอย่างนี้ของดำเป็นอย่างนี้สีเหลืองเป็นอย่างนี้สีแดงเป็นอย่างนี้ อ, อ, อ้าวไอ้ผ้าที่เรามีนี่มันผ้าเนื้อเลียวเปื้อนขมาวนี่โอโ้โหพอรู้อย่างนี้ปุ๊บโยนทิ้งเลยโยนทิ้งแล้วยังจะไปคิดแค้นกับอีตาที่มาหลอกมาหลอกเขาตั้งแต่ตอนแรกมาตายแล้วเราถูกไอ้หมอนี่มันหลอกมาตั้งนานแล้วถ้าเจอมันจะต้องฆ่ามันให้ตายว่ากันเช่นเดียวกันหมอพงศ์เราเนี่ยผู้รู้จบอกว่าเราถูกจิตหลอก ของเราเนี่ยหลอกเราปลอมเทียมปลิ้นปลอกนะให้เรามายึดถือขันทั้งห้าเนี่ยว่าเป็นตัวเราของเราตัวเราของเราใช่ไมายึดถือว่าไอ้นี่ของฉันอืมครับอืมหลอกนี่หลอกไม่ไม่ใช่พบชาตินี้ใช่ไหมเนาะหลอกมานานชั่วแบบว่าหลายสังสารวัตใช่เพราะความยึดถือมีกับเราใช่ไหมมันยึดถือพวกนี้ใช่ไหมขันหน้เพราะความยึดถือจึงมีพบ เพราะพบเป็นเหตุเพราะคือสถานที่เกิดเนี่ยจึงมีการเกิดมันมีการเกิดกันตายมาหลายหลายนานมากแล้วคือชาติเพราะมีการเกิดคือชาติไงความแก่ความตายความโศกความรำไรรำบันความทุกข์กายความทุกข์ใจความก้าวแก่ใจจริงมาพร้อมเลยแล้วก็พอมาพร้อมเสร็จปุ๊บก็ไปยึดอีกยึดอยู่เรื่อยๆแล้วก็เลยทําให้มีการเกิดอยู่เรื่อยๆการเกิดการเกิดแล้วเกิดอีก จนไม่จบนั่นแหละคือสังสารวัตรนะอื ม, อมแล้วไอ้สิ่งที่จะมาผูกเราให้ยึดอยู่เนี่ยนะมันก็ผูกแบบเป็นอย่างยืดเหนียวๆก็คือตัณหาเนี่ยแหละครับอืที่เราเคยพูดว่ามี อ, อวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้วทีนี้อตัณหามันก็จะทําให้เราไปเกิดแล้วก็ดอีกนะเป็นหนีของความทุกข์ ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่เราตาดีขึ้นมาคนตาบอดในตาดีขึ้นมาก็จะละความพอใจในผ้าเนื้อเหลวเปื้นเขเหมอันั้นเสียได้เหมือนกันเมื่อไหร่ที่คุณละความยึดถือในขันตั้งห้าได้แล้วนะพระเจ้าบอกว่าก็จะธรรมจักสุขก็จะเกิดขึ้นแก่เธอเมื่อไรมว<ด>ตาเห็นธรรมใช่เธอจะเห็นความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเธอละความ ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าได้นะพร้อมกั บ, บนะักวิจารทีนั้นก็จะเกิดธรรมจักสุขขึ้นก็จะละความพอใจในขันทั้งห้าได้นะก็จะคือว่ามันก็วางของหนักลงอ่ะก็จะสบายเลยหลัะสบายใจเบาสบายแล้วก็คนที่จะ เอ๋อเดี๋ยวคําถามเดี๋ยวท่านกราบให้จบก่อนกันด้ครับแล้วคนที่จะทําอย่างนั้นได้ในะเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งนั้นก็คือการที่ฟังพระัธรรมอยู่เรื่อยๆอฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเมีการปฏิบัติธรรมะอยู่เรื่อยอย่างฟังธรรมะรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดปากออนไลน์เงี้ยนะฟังอยู่เรื่อยฟังไปเรื่อยก็ตอนไหนที่ชอบใจก็ฟังไปฟังไปเราก็จะทําให้มีสมาธิได้เป็นผู้ที่สามารถจะ าวางได้มากขึ้นวางั้นเถอะอืมครับครับสะสมสุดจัดนะครับใช่ใช่ใชบทีนี้เราก็มาตอบคําถามได้อืมครับคาถา ม, ถามเอาเริ่มจากของคุณมณีเนตรเลยนะครับก็คือคุณมณีเนตรเนี่ยก็หมายถึงว่าแบ่งปันประสบการณ์เรื่องของการฝึกสมาธิคือท่านได้ฝึกมาประมาณหนึ่งปีกว่าๆแรกๆ ก, ก็รู้สึกอึดอัดปวดหัว พอปวดหัวก็กินยา ก, ก็แก้ปวดแต่ว่าก็ไม่หายนะครับคือเหมือนกับว่าเป็นการปวดที่เข้าไปเพ่งเลงไปบังคับลมหายใจก็คือต้องนอนพักนอนพักก็คือไม่ไม่ได้ไปเพ่งเลงไม่ได้ไปบังคับนะครับก็จะหายเอ่อเอเาตรงนี้ก่อนไม่ทราบว่าจะถูกต้องไม่ครับท่านก็ก็ถูกเพราะว่าคือถ้าเราไปบังคับจิตของเราเนี่ยไม่ให้คิดเนี่ยนะมันจะปวดหัว เหมือนกับถูกบีบบังคับเนี่ยเหมือนกับคนที่มีกําลังน่ามากบีบคนที่มีกาลังกำลังน้อยบีบคันที่คอบีบคันที่หัวขมับอย่างเงี้ย น, นะอันนั้นจะเ ป, นเป็นเทคนิคหนึ่งที่เราจะใช้เวลาที่จิตเรามีอกุศลที่เราว่าบีบคันจิตวิจิตวิธีที่ห้านะซึ่งถ้าโดยปกติเราจะไม่ใช้วิธีนี้อนะซึ่งจริงๆการดูลมหายใจเนี่ยไม่ใช่การบังคับไม่ให้คิดแต่ว่าเป็นการ mm. ที่คิดเมื่อเมื่อคิดเมื่อไหร่ใช่ไหมระลึกได้นะปล่อยความคิดกัน S <S เพราะนั้นตรงไอ้ออลมหายใจเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราต้องระลึกไงระลึกได้เมื่อไหร่นะปล่อยสิ่งที่คิดแล้วมาอยู่ที่ลมหายใจอสมาธิไม่ใช่ของเอาไม่ใช่ของบังคับเอาไม่ใช่ของที่จะขวายคว้าเอาแต่เป็นเมื่อไหร่คุณปล่อยความคิดปล่อยวางความยึดถือเมื่อนั่นจึงเป็นสมาธิได้อ๋อครับครับก็หลังจากคุณมณีเนตรเนี่ยได้รับคําแนะนําจากหลวงพ่อและพระอาจารย์เนี่ย ก็ได้ไปหลีกเลนครั้งที่สองแล้วค่อยๆกลับไปจึงเป็นปกติและมีสติกระลึกรู้ดีขึ้นครับท่านสังเกตว่าในลมหายใจช่วงแรกๆของปฏิบัติในการปฏิบัติแต่ละครั้งเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็คือจะไม่ได้ยินเสียงลมเข้าขออกคือหมายว่าช่วงแรกๆเนี่ยได้ยินแต่พอปฏิบัติละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็จะไม่ได้ยินเสียงลมหายใจทีนี้ครับ มันก็เป็นประสบการณ์การปฏิบัติของคุณมณีเนตรที่นะว่าก็คือมีการพัฒนาขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีมันก็จะเป็นการที่จะต้องเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยมาปฏิบัติเพราะว่าหลายๆคนที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณมณีเนตรหรือว่าคนอื่นๆแล้วนะก็จะพบว่าเออถ้าเราปฏิบัติมาถูกทางเนี่ยก็จะมีการพัฒนานะในจิตของเราซึ่งพอจิตของเราที่พัฒนาแล้วมรดกพงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ย เว้ยมันก็ดีไปหมดอ่ะจะเป็นเรื่องการเรียนอันนี้เป็นผลพลอยได้หรอกนะเรื่องการเรียนเรื่องความสำคัญในครอบครัวการงานการหน้าที่ใช่ไหมมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นตามจิตของเราที่พัฒนาขึ้นไปเพราะฉะนั้นประสบการณ์คุณบรรเนธก็ดีแล้วที่เขียนมาแชร์แล้วก็ถ้าผู้ฟังที่อยากจะารายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปอ่านได้ในในบล็อกที่อยู่ในหน้าของตอนที่34มสิบซึ่งก็คิดว่า ถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามอื่ น, นหรือว่ามีประสบการณ์ที่จะแชร์ให้ฟังก็สามารถเขียนมาได้นะเราก็จ ะ, ะนําบางส่วนมานอ่านออกอากาศนี้แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะให้คนอื่นได้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างตอนที่ช่วงท้ายๆของการก่อนที่พ ร, ระเจ้าจะวรินทิปาเน่ยหมอรัตพงศ์พระเจ้าเนี่ยมาพยากรณ์นะว่าออคนนี้ตายไปแล้วเป็นโสดาบานไปอยู่ชั้นนี้คนนี้ตายไปแล้วเป็นอนาคามีไปอยู่ภพนนทนอย่างเงี้ยนะ ก็เอ้ ย, อ ย, อยทำไมมาพยากรณ์ในช่วงท้ายๆพระเจ้าก็บอกว่าจริงๆที่เราพยากรณ์เนี่ยด้วยเหตุผลเดียวนะคือความที่ถ้าเมื่อคนอื่นทราบแล้วเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้เขาในการที่จะปฏิบัติ๋อคนนี้ตายแล้วโอ้ไปอยู่อนาคามีโอ้เออเอเอฉันแม่ก็อยากทำด้วยเหมือนกันนะไว้อย่างนั้นเป็นลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าามีประสบการณ์ดีๆในการปฏิบัติธรรมก็ แชร์กันเข้ามาได้ผู้อื่งก็รับทราบข้อมูลแล้วก็อาจจะมีความยินดีพอใจในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ในการปฏิบัติมากขึ้นซึ่งนี่จะเป็นจุดประสงค์ของรายการด้วยแหละในการที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มาปฏิบัติมากขึ้นฟังแล้วฟังด้วยกับปฏิบัติไปด้วยได้อยู่แล้วใช่ไหมรู้ลมหายได้ทั้งวันแล้วในปีปีหนึ่งเนี่ย อาจจะมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้สองครั้งก็ได้ที่จะหาเวลามาหลีกเรนเพิ่มเติมคอ่าเป็นรูปแบบเลย่แล้วก็การหลีกเรนนี้ก็อยู่ในเสนาสนะอันสงัดก็ทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนอืมครับก็ทีนี้ประเด็นในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะต่างๆก็คิดว่าเราได้พูดไปถึงเรื่องของอนาปนสติเพิ่มเติมนิดนึง ใช่ไหมครับผมแล้วเราก็ยังได้พูดถึงลักษณะของการที่จิตกันรับรู้สมองนะว่ามันความต่างกันอย่างไรแล้วเราก็ได้พูดถึงอะไรอีกล่ะก็อีกสมองแล้วก็ตอบคําถามครับอือครับอิดสมองเราก็ยังพูดถึงประเด็นของธรรมะที่ธรรมะนั้นเป็นของละเอียดประณีตไม่ใช่เป็นของที่ให้ยึดถือ จะเป็นธรรมะเพื่อความปล่อยวางเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วเราปล่อยวางได้มากขึ้นอันนี้ถูกทางนรวมถึงเรื่องการจะเผยแผ่ธรรมะด้วยก็ต้องเป็นไปในลักษณะที่ทวนกระแสของตัณหากิเลสตัณหาครับครับยังยังมีความรู้สึกว่าพอคําว่าทวนกระแสเนี่ยเหมือนกับว่าอจะต้องเหนื่อยไหมว่าโอ้การที่เราเหมือนเราเดินทวนน้ําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างนี้ก็หมือนท่านทวงคิดว่า อย่างมาได้ลอคิดว่าผู้เขาหินอย่างเงี้ยเวลาที่มันต้านลมแรงๆมันเหนื่อยไหมไม่เหนื่องครับไม่เหนื่อยเพราะว่าเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเช่นเดียวกันจิตที่รู้อริยสัจเนี่ยจิตที่รู้อริยสัจเดินตามมรรคเนี่ยนะก็จะเป็นจิตที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะคนที่อ่อนแอหมายความว่าอะไรคนที่อ่อนแอหมายความว่าคนที่ไหลไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคนอ่อนแอนะไม่ว่าเขาจะมีกล้ามเป็นมัดมัดนะมีซิกแพก วิ่งมาราธอนได้หรือว่าวิ่งร้อยเมตรได้ไม่กี่วินาทีแต่ถ้าเขาจิตยังไหลไปตามคนนี้พูดอย่างนี้ก็ไหลไปตามคนนั้นผู้หญ่งก็ไหลไปตามเอายาไม่ให้กินก็กินนะบอกให้ไปฆ่าสังฆธรรมรักษาพยาก็เอาเอาคุณอ่อนแอทั้งหมดใช่จิตอ่อนแอใช่อ่อน <on air S 2> แอแต่ถ้าคนไหนที่แข็งแกร่งล่ะต่อให้เขานอนอยู่บนเตียงน้อ ย, อยสําหรับคนหามคนทุพพลาภาพนอนอยู่ในโรงพยาบาลแต่ถ้าจิตเขาเป็นจิตที่แข็งแกร่งรู้อริยสัจนะไม่ไหลไปตามสิ่งที่ไม่ดี ข้าศัตราฉันไม่ทํารักทรัพเราันไม่เอานะเพราะผิดในการฉันไม่ทําจะนั่งสมาธิรู้จิตของฉันมีสตินั่นแหละเป็นจิตที่แข็งแกร่งอืกเพราะฉะนั้นวความแข็งแรงแข็งแกรงแ่งในที่นะนี้ก็คือว่าความที่เราไม่ไหลไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลธรธรมทวนกระแสนะใช่ไหมทวนกระแสนะอย่างที่ด้วยความเพียรในการที่จะเอาอากุศลออกเอากุศลธรรมเข้าใส่ อย่างในโลกปัจจุบันนะครับเป็นโลกของทุนนิยมก็คือเป็นก็ตามกิเลสตัณหาก็คือคนทั่วไปก็จะตามเรื่องของทุนเรื่องของอวัตถุต่างๆเนี่ยก็ถือว่าการที่เราศึกษาทำก็คือทวนกระแสของโลกตรงนี้ก็จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีเลยครับคือคือหมายความว่าไม่ได้หมายความว่า คุณจะต้องจนๆแต่งตัวมันลมมลอสอมซ่ออย่างนี้ไม่ใช่นะมาเรื่องถว่าถ้าเขาผูกเ넥ไทกันเราก็ต้องผูกไปตามงานตามอะไรเราก็ผูกได้ใช่ไหมเราจะใส่รองเท้าดีๆขับรถรูรนี่มันก็ทําได้แต่ไกด์ไลน์ที่ผู้ช่าวางไว้ก็คือเรื่องของศีลเท่านั้นเองคุณจะมีปร้อยล้านพันล้านก็ได้ถ้าคุณไม่ผิดศีลคุณจะมีหมื่นล้านแสนล้านก็ได้จะมีรถหลายๆคันก็ได้ถ้าคุณยังมีการประพฤติที่อยู่ในมัด มีการพูดดีๆการไม่ด่ากันไม่ว่ากันจะมมีเมตตาให้กันแล้วก็ไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยไปนั่งสมาธิบ้างหลีกยเล่นบ้างมีเงินมากกว่าให้ทานบ้างอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งที่ดีจะตายอืจริงๆแล้วเรื่องธรรมะเนี่ยมันมีหลายระดับมากเอาอย่างแค่คนที่มาเลี้ยงเียนที่ป่าป่าต่อไหนโสกมาลตระพงมีตั้งแต่กับเป็นชาวนาต้องไปเลี้ยงควาย นะทุกวนันทุกวันก็จะหลีกตัวไปได้ก็ยากยากจนกระทั่งไปถึงมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของโครงการบ้านอะไรจัดสรรที่ดินมีเงินเป็นหลายร้อยล้านก็มีมานั่งสมาธิก็นั่งเหมือนกันอะ่ะฟังธรรมก็ฟังธรรมที่เป็นพุทธวจนะเหมือนกันจะมาซึ่งมันได้หมดนะที่ขอเราให้ละกิเลสปล่อวางให้ได้เป็นจิตที่เบาเป็นจิตที่สบายนะไม่ยึดถืออะไรนะคุณมีคุณก็ให้คุณมีคุณก็สละออก มีมากก็สละมากมีนัก็สละน้อยตามความที่จะสามารถทำได้ก็เป็นสํ่อ่าใช่เพราะงั้นก็คิดว่าในตอนนี้เราได้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังไปพอสมควรแล้วครับผมแล้วก็ในตอนต่อไปก็จะนำเรื่องที่คิดว่าเหมาะสมในการที่จะให้กิเลสของเราเบาบางลงคลายความยึดถือเป็นธรรมะในแนวทางที่เป็นในมักเป็นสิ่งที่ เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศไว้ดีแล้วมาให้ฟังต่อไปครับถ้าเกิดว่าผู้ฟังมีต้องการทราบเนื้อหาอะไรที่เพิ่มเติมมาก็หรือว่ามีคำถามก็ส่งมาที่เพลธรรมะ .com ได้นะครับใช่ๆชแล้ว ก, เก็เราก็จะได้นำมาตอบให้ท่านผู้ฟังในตอนต่อไป ว, วันนี้ก็ลากันไปก่อนเท่า น, นี้เราพบกันใหม่ในตอนหน้าจะเป็นเอพิโซดที่30สิบเท่าไหร่อะสมสิบหกสาสิหกครับใช่ใช่เพบกันใหม่ในตอนที่สมสิหกเจริญพรครับ กรับกรับรัศการพระอาจารย์ครับ